มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรปรนามคาถาคำนมสการพระรัตนตรยัย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 และภัยอันตรายทั้งหลายอันจะมากระทาและอุปัชเชธกะกรรมอันจะมาตัดชนามายุให้ดับศูญย์เสียเร็วพลันมิทันจะแต่งพระคมพีมิลินทปัญหาให้แล้วจึงผูกคาถาประนามพระเสรตนาไตรแก้วทั้งสามไว้ในต้นพระคมพีแปลความในประนามคาถาว่าอาจินตยานุภาวัง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 หากทรงกระทำส ก, การะบูชาทุกพระองค์สืบสืบกันมาประการหนึ่งเล่าโยอริยะสังโคพระอัศดางขิการิยะสงหมู่ใดสีลาธิคุณะสัมปันโนประกอบด้วยคุณมีสีละุณเป็นต้นทิโตสถิตอยู่มัคคภเลสุในมัคสีผลสี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 ในการบัดนี้จบประนามคาถา